ตอนนี้อยู่ด้วยการเกี่ยกน6กค่ะหลวงพ่อโอเนียมีตอนนี้มาจากฝแก้วทั้งหมด4คนค่ะมาด้วยการ4คนอ่าแล้วบูชาอยู่อยู่ที่ไหนี่ายไม่ได้อยู่นะคะอ่าอง่นี้จรครอบครัวเดียวกันค่ะแต่ว่าเขาฟังทํรหลวงพ่อมามานานแล้วจะจะไม่อยู่เกี่วันนะ อาวันนะเดอเหมือนเราเอาผ้ามาซักใจนี้เหมือนเสื้อผ้าที่ต้องมีการซักฟอกใจมันเปื้อนด้วยกิเลสตัณหาด้วยบาปด้วยกรรมอะไรต่างๆเราต้องมาชำระซักฟอกด้วยธรรมะของพระเจ้าทาบุญทาทานรักษาศีล มาภาวนาอันนี้เป็นเครื่องซักฟอกใจใจสะอาดแล้วนำความสุขมาให้ใจเปะเปื่อนนี้นำความทุกข์มาให้เนี่เราต้องคอยกำจัดอกุศลบาปอากุศลทั้งหลายอย่าให้มันมีในใจของเราอากุศลนี่มีอยู่สิบสิบอย่างด้วยกันเรียกว่าอากุศลสิบ ที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองทำให้ใจใจเราไม่สะอาดอากุสลมีถามทางทางกายทางวาจาและทางใจอกุสนทางวาจาทางกายก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีอกุสลทางวาจาก็คือการพูดปดการพูดคำหยาบคำพูดเพ้อเจ้อ คำพูดสอเสียดกล่าวร้ายผู้อื่นสอเสียดก็คือคำกล่าวร้ายผู้อื่นว่าผู้อื่นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แล้วก็อกุศลทางใจก็มีอยู่สามคือความโลภความโกรธความหลง น, นี่คือสิ่งที่เราต้องชําระด้วยธรรมของพระพุทธเจ้า การทของพระเจ้าก็เหมือนเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้านอกจากมีเครื่องแล้วต้องมีน้ํามีผงซักฟอกมีน้ํายาซักฟอกถ้าเรามีเครื่องซักผ้ามีน้ํามีผงซักฟอกมีน้ํายาซักฟอกใส่ไปเดี๋ยวเครื่องมันก็หมุนปั่นเดี๋ยวคราบสกรปรกต่างๆที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าก็หลุดไปหมด เวลาเราได้เสื้อผ้าสะอาดมาใส่เรารู้สึกไงสดชื่นเออเสื้อผ้าเก่านี่เราจะใส่แล้วยังไงไม่อยากจะใส่มันเหม็นนะมันเหนียวเนอแต่พอใส่เสื้อผ้าใหม่ที่เราซักเสร็จเรียบร้อยนี้ใส่แล้วรู้สึกสบายกายฉัในใดใจเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้า ต้องมีการซักฟอกอยู่เรื่อยๆความโลภนี้ต้องซักฟอกด้วยการด้วยการให้ด้วยการเสียสละแบ่งปันถ้าไม่มีการเสียสละแล้วมันจะโลภมากถ้าเรามีการเสียสละแบ่งปันมันจะลดการความโลภได้คือมันจะโลภเราได้มาด้วยความโลภเราก็จะเอาไปให้คนอื่น ถ้าเรามีพอเพียงแล้วคือเราการหาเงินทองของเรานี่หาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่การมีมากๆมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมีมากๆมันก็เพียงแต่เป็นตัวเลขแล้วก็จะเป็นตัวไปล่อความอยากต่างๆให้ไปทําอกุศลทางใจ ถ้าเรามีการทำบุญทำทานอยู่ได้เรื่อยพอรู้ว่าเงินชักจะมากแล้วเก็บไว้เกะกะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวกิเลสเอาไปใช้หมดก็เอาไปทำบุญทำทานอันนี้ก็เป็นการซับพ่อกิเลสอย่างหนึ่งคือแย่งเงินอย่าปล่อยให้กิเลสเอาเงินของเราไปใช้เพราะถ้าใช้ถ้ากิเลสใช้มันก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองสุเด๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้ใช้ แล้วเดี๋ยวพอเงินไม่พอใช้ก็จะเศร้าถ้าปล่อยให้ใช้เงินตามกิเลสตามความอยากเดี๋ยวเงินก็ไม่พอใช้เอั้นเราอย่าให้กิเลสเอาเงินของเราไปใช้ให้เราเอาไปทาบุญดีกว่าทําบุญได้ความสุขได้ชําระใจได้ชําระความโลภความอยากต่างๆ ถ้าถ้ามีเงินปล่อยให้กิเลสไปใช้มันก็จะไปสะสมสร้างกิเลสสร้าง อ, อกุศลให้มีมากขึ้นทําให้ใจเราเศร้าหมองมากขึ้น เ, เ, เ, เครื่องทซั์พอกใจก็คือทานศีลภาวนานี้ทำบุญทําทานถ้ามีเงินเหลือกินเหลือใช้จะเอาไปจะให้กิเลสไปก็เอาเอาไปทําบุญดีกว่า ถ้ากิเลสมาขอขอเงินไปซื้อกระเป๋าใหใหม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ขอซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อแต่เห็นเราชอบอยากได้ก็อยากไปให้มันซื้อเอาไปทำบุญดีกว่าทำบุญแล้วจะทำให้กิเลสมันหดตัวลงต้านกิเลต้านความโลภต้านความอยาก เป็นการซักพ่ออกุสนทางใจงด้วยการทำทานอาุสนทางกายเราก็ใช้ศีล ร, รักษาศีลห้ากันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวแหน่เราก็จะทำแล้วอาุสนทางทางกายอาคุสนทางวาจา ก็ต้องละเว้นการพูดปดละเว้นการพูดคำหยาบละเว้นคําพูดเพ้อเจ้อละละเว้นการพูดส่อเสียดส่อเสียดคําว่าส่อเสียนี้บางที่เขาแปลว่าเป็นการพูดให้เกิดความแตกแยกกันเกิดความโกรธกันเกลียดกันยุโยงให้คนเข า, เ, าเกิดความแตกแยกกัน ด้การพูดกล่าวร้ายว่าร้ายกันอันนี้ก็ต้องพยายามคอยชำระวาจาที่ไม่สะอาดเวลาจะพูดปดก็หยุดอย่าพูดเวลาจะพูดคำหยาบก็อย่าพูดเวลาจะพูดเพ้อเจ้อก็อย่าพูดเสียเวลาเพ้อเจ้อพูดแบบไม่มีสาระ พูดเรื่องนินทากาเลเหมือนเทน้ำพูดไปแล้วเหมือนเทน้ำทิ้งไปเปล่าๆพูดในสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์ดีกว่าเช่นพูดเรื่องธรรมะนฟังแล้วก็จะได้รับประโยชน์หรือถ้าอ ย, อยู่ทางโลกก็พูดวิธีทำมาหากิน ที่ซื่อสัตว์สุจริตเนี่ยจะได้มีรายได้มาจนเจือพูดในสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเราและกับผู้อื่นอย่าพูดในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์พูดวิภาควิจารคนนั้นคนนี้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พูดไปเสียเวลาเป่ า, ปา อากุศลทางวาจาก็มีอยู่ซถ้าพูดคำหยาบก็ให้เปลี่ยนมาพูดคำสุภาพถ้ายังมีนิสัยชอบพูดคำหยาบอยู่ก็มาฝึกพูดวาจาที่สุภาพเรียบร้อยเพราะคำหยาบนี่เหมือนเหมือนขยะทางหูเหมือนกับคนเอาขยะใส่หูเราเวลาได้ยินคำหยาบคายนี่มัน มันมันไม่มีความรู้สึกดีเวลาได้ยินคำที่สุภาพีฟังแล้วมันชื่นอกชื่นใจสบายอกสบายใจยต้องรู้จักพูดพูดพูดให้เกิดประโยชน์อย่าพูดแล้วให้เกิดโทษพูดความจริงอย่าไปพูดคำเท็จถ้า พูดความจริงแล้วมันเกิดความเสียหายก็อย่าพูดก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะพูดความจริงเราก็ผูกปากไว้ก็พอแต่ไม่ต้องพูดคำเท็จอย่าไปพูดคำเท็จถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ผูกปากไว้ไม่ต้องพูดอะไรใครก็ถามอะไรแล้วพูดความจริงไม่ได้ไม่อยากจะพูดความจริงก็เฉยๆไป ไม่มีใครก็บังคับให้เราไปโกหกเราโกหกเองเราชอบโกหกเองไม่มีใครก็บังคับเราให้เราโกหกการพูดโกหกนี่มันไม่ดีทำให้เราเสียเสียความดีไปความน่าเชื่อถือพอเรานี่จะเชื่อถือกันส่วนหนึ่งก็อยู่ที่คำพูดของเราถ้าเราพูดความจริงคนเขาก็จะเชื่อถือเรา ถ้าเราพูดคำเท็จคนเขาก็จะไม่เชื่อถือเราต่อไปพระพุทธเจ้าเคยสอนพระลาหุนเรื่องการมีสัจจะความจริงท่านตักน้ำขึ้นมาขันหนึ่งแล้วก็บอกลาหุนเวลาเธอพูดปดนี้ก็เหมือนกับเทน้ำออกจากขันนี้ไปทีละนิดเทีหน่อย พูดปดทีนึงก็เทน้ำออกไปถ้าพูดปดบ่อยๆต่อไปน้ำในขันก็จะไม่มีน้ำนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนความดีในตัวเราความน่าเชื่อถือในตัวเราถ้าเราพูดปดเรื่ยอยๆจนกระทั่งเขาเขาเขารู้ว่าเราไม่เคยพูดความจริงเนี่ยคาพูดของเราก็จะไม่มีน้ำหนักจะไพูดอะไรไปตกลงกับใครกับใครก็ไม่มีใครก็เชื่อ เราจะไม่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในตัวเรากลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือไปแต่ถ้าทุกครั้งที่เราพูดนี้เราพูดแต่ความจริงคนเขาฟังแล้วเขาก็จะเชื่อถือในคำพูดของเราตกลงกันไว้ว่าจะทำอะไรอย่างไรก็จะทำตามที่ตกลงกันไว้เราคาพูดของเราก็จะเป็นคำพูดที่มีคุณค่าราคา พราบางครั้งเราต้องใช้คาพูดนี้เป็นการหาสิ่งที่เราต้องการเช่นบางทีเรายังไม่มีเราไปยืมของเขาขอยืมของมาใช้สองวันถ้าเราเป็นคนที่มีคาพูดที่น่าเชื่อถือได้เขาเชื่อว่าเราพูดอย่างนั้นทาอย่างนั้นเขาก็จะให้เรายืมของเขามา แต่ถ้าเรามีคําพูดที่ไม่น่าเชื่อถือจะไปยืมข้าวของจากใครเขาก็ไม่กล้าให้ยืมเพราะยืมแล้วเดี๋ยวเขาไม่ได้คืนมานี่คือการพูดความจริงอย่าพูดปดแต่ถ้าเกิดพูดความจริงแล้วทำให้เราเจ็บเสียหายหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย ไม่พูดก็ได้ความความจริงนี้เขาไม่บังคับให้เราพูดเพียงแต่ว่าถ้าพูดก็ให้พูดความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าพูดก็ได้อย่าไปพูดปลดก็แล้วกันนี่คือวิธีที่เราจะชำระอกุศลทางวาจาต้องคอยดูว่าเราพูดอะไรอยู่เราพูดความจริงหรือเปล่า เราพูดคําหยาบหรือเปล่าหรือคำพูดเราพูดคําสุภาพหรือเราพูดคําหยาบเราพูดเพ้อเจ้อหรือเราพูดเรื่องที่มีสาระเช่นพูดเรื่องธรรมะคุยกันคุยเรื่องธรรมะมันเป็นประโยชน์เพราะธรรมะนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหมือนเงินทองอพูดสิ่งที่มีสาระก็เหมือนได้เงินได้ทอง อสามารถเอาความรู้ที่เราได้ที่มีสาระนี้เอาไปหาเงินหาทองได้นั่นเอง <c oughs> พูดพูดอย่าไปพูดเรื่องเพอร์เจพูดเรื่องที่มีสาระมีคุณมีประโยชน์แล้วก็อย่าไปพูดยุยงให้ผู้อื่นเขาแตกแยกกันอส่อเสียดไปทําให้ผู้อื่นแค่เขารักกันยุให้เขาแตกแยกกันอื นี่คืออกุศลทางวาจาอากุศลทางใจก็มีอยู่สามคือความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธนี่ก็เกิดจากความหลงเป็นหลักถ้ามีความรู้จะไม่โลภจะไม่โกรธถ้าหลง ก, ก็จะโลภคำว่าหลงคือหลงหมายความว่าอย่างไง เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราถ้าเราเห็นถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะแก้ความหลงได้มีอะไรในโลกนี้ที่มันเที่ยงบ้างคำว่าเที่ยงแปลว่าไงแปลว่าไม่เปลี่ยนแปลง คงเส้นคงวาไม่เสื่อมเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นคำว่าเที่ยงเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีอะไรที่มันคงเส้นคงวาที่เป็นเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางทีก็เปลี่ยนไปทางการเจริญบางทีก็เปลี่ยนการไปทางเสื่อมเช่นร่างกายเวลาเกิดมาใหม่ มันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญจเจริญเติบโตขึ้นมาแต่พอมันจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วทีนี้มันก็เริ่มเสื่อมนะมันก็เปลี่ยนไปในทางเสื่อมเริ่มแก่ลงไปเริ่มหนังเริ่มเหี่ยวผมเริ่มขาวอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะมีปรากฏขึ้นมานี่คือความไม่เที่ยง ของทุกอย่างที่เราอยากได้มันก็ไม่เที่ยงได้มาแล้วบางทีได้มาแป๊บเดียวก็หมดไปแล้วะเช่นลูกเสียงกลิ่นรสนี่มามามาแป๊บเดียวแล้วก็ไปแล้วเห็นไปดูอะไรดูภาพยนตร์เสร็จดูหนังจบแล้วก็หายไปแล้วหมดแล้วได้ดื่มอะไรได้รับประทานอะไรอดื่มเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้ว ถ้าคิดว่าเป็นความสุขก็จะต้องหามันอยู่เรื่อยๆแต่มันไม่แน่นอนจะหามันได้ทุกครั้งหรือเปล่าเวลาอยากจะดูบางทีไม่ได้ดูบางทีอยากจะฟังไม่ได้ฟังอยากจะดื่มไม่ได้ดื่มอยากจะรับประทานไม่ได้รับประทานพอไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานมันก็จะทำให้เราทุกข์แล้วนี่คือ ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขนี้มันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้เวลาที่เราไม่สามารถที่จะหามันมาได้หรือไม่สามารถรักษาให้มันอยู่กับเราได้เช่นของที่เรารักหรือคนที่เรารักเวลาที่เราได้อยู่กับเขาเราก็มีความสุขแต่ถ้าเกิดเขาจากเราไปเมื่อไหร่ความสุขนั้นก็หายไป ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ที่เราอยากได้นี่มันเป็นทุกข์เราก็จะหยุดความโลภได้หยุดความโลภอยากได้สิ่งต่างๆอยากไปเที่ยวก็เหมือนกันอยากไปดูอยากไปฟังไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีได้มาแล้ว ก็ต้องหมดไปจากเราไปพอจากเราไปเราก็เหงาเราก็ว้าเวรเราก็ต้องโลภเราก็อยากได้ใหม่มีเท่าไหร่ก็ต้องพอหมดก็ต้องหาใหม่หรือบางทีบางทีไม่หมดมันก็เบื่อเบื่อก็ต้องหาใหม่อีกถ้าเราใช้ปัญญาใช้สมาทิฏฐิสอนตัวใจเราว่า อย่าไปเอาอะไรเลยในโลกนี้ทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มากกว่าเพราะเวลามันเปลี่ยนไปหรือเวลามันเสื่อมไปเวลามันจากเราไปมันจะทําให้เราทุกข์ถ้าเรามีปัญญามีสัมมาทิฏฐิเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เห็นความที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้มันก็จะทำให้เราหยุดความโลภได้อยากได้อะไรพอมาคิดว่าได้แล้วทุกข์นะไม่เอาดีกว่าอยู่แบบไม่ทุกข์อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าแล้วถ้าไม่โลภก็จะไม่โกรธที่เราโกรธกันก็เพราะว่าเวลาโลภอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากเราก็โกรธ เวลาเราโกรธเราเราล อ, ลองสังเกตดูโกรธเพราะว่าอา่อใครต้องมาขัดใจเราละเนือเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เราอยากได้อยากทำํำเราก็จะโกรธขึ้นมาฉะนั้นความโลภความโกรธนี้มันเกิดจากความหลงความหลงก็เกิดจากการไม่ศึกษานั่นเองอะไม่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าอื ถ้ามันศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามันฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื<ๆ>่อยๆก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่ที่ไม่ทุกข์ของดีขนาดไหนสุขขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ต้องกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะไม่ช้าก็เร็วเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปต้องมีการพัดพรากจากกัน เพราร่างกายของเราที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันมันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับร่างกายของเราได้ไปห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ได้ห้ามให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ห้ามให้มันไม่ตายไม่ได้พอเวลามันเกิดความแก่เจ็บตายขึ้นมา เราก็จะทุกข์เพราะเราจะไม่สามารถใช้ร่างกายหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราได้หรือรักษาสิ่งต่างๆที่เราที่ให้ความสุขกับเรานี้ไม่ให้จากเราไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องใช้ศึกษาฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่ให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลัง มีอยู่หรือกำลังหากันอยู่นี่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีเกิดมีดับได้มีเจริญมีเสื่อมได้มีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่เหมือนเดิมถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เราจะได้กลัวกลัวมันไม่อยากได้มันเพราะรู้ว่าถ้าได้มันมาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องทำให้เราทุกข์ แต่ถ้าเราถึงแม้จะรู้แต่ก็ยังห้ามใจไม่ได้ก็เพราะว่าใจเราไม่มีความสุขในตัวเราเองเราเลยต้องไปหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์กันแต่ถ้าเรามาหาความสุขในตัวเราได้ในใจเราได้เราก็จะเลิกหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้ ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขไปหามันมาทําไมหามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาร้องหม่มร้องไห้กับสิ่งที่เราหามาเพราะว่ามันบางทีมันก็ต้องจากเราไปซื้อของมาใหม่ใช้ไปได้ไม่กี่วันถูกขโมยไปหายไปอันนี้ก็ทําให้เราเสียใจไม่สบายใจร้องหม่มร้องไห้กัน แต่ถ้าเรามาทําใจของเราให้มีความสุขได้ในตัวของมันเองถ้าใจมีความสุขแล้วมันก็ไม่ต้องไปหาความสุขข้างนอกใจไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรา แก้ความหลงด้วยการมาหาความสุขที่เราจะสามารถรักษาไว้ได้ความสุขในใจเรานี่เรารักษาได้มันเป็นความสุขที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาเป็นเป็นความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่ไม่ให้ความทุกข์กับเราเป็นความสุขที่เราสามารถครอบครองไว้เป็นสมบัติของเราได้ไปตลอด อันนี้หละคือสมบัติแท้ความสุขแท้อยู่ในใจเราอยู่ในใจอยู่ตรงไหนอยู่ที่ความสงบนี่เราจึงต้องมาชำระความโลภความโกรธความหลงด้วยการภาวนาถ้าเราภาวนาได้ทาจิตให้สงบได้เรามีความสุขในตัวเราได้เราก็จะเลิกความโลภได้ เมื่อเราเลิกความโลภได้เราก็จะไม่โกรธจะไม่มีความโกรธความโกรธนี่เกิดจากการอยากความโลภทีเดียวแล้วถ้าเราจเจริญปัญญาภาวนาในขั้นวิปัสสนาได้เห็นว่าทุกอย่างที่เราหาในโลกนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะเลิก ที่จะมีความโลภอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความสุขที่เป็นของเราที่ไม่มีใครมาแย่งไปจากเราได้อยู่กับเราไปตลอดแม้แต่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความสุขในใจก็ยังอยู่ต่อไปเพราะความสุขในใจมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่เหมือนความสุขต่างๆ ที่เราหากันอยู่ขณะนี้มันต้องมีร่างกายถึงจะเกิดขึ้นมาได้ต้องมีตาถึงจะดูได้ต้องมีหูถึงจะฟังได้พอไม่มีร่างกายก็ไม่มีถึงตาหูจมูกเล่นกายก็ไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะได้แต่ความสุขทางใจนี้มีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ไม่เกี่ยวกัน ความสุขทางใจนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้สติใช้การภาวนาสมถะภาวนาเพื่อทำใจให้สงบแล้วก็วิปัสสนาภาวนาเพื่อสอนใจให้ตัดความอยากในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไปให้หมดพ อ, มอไม่มีความโลภแล้วความสุขที่ได้จาก สมถภาวนาก็จะกลายเป็นความสุขที่ถาวรถ้ายังมีความโลภความอยากอยู่ความสุขที่ได้จากสมถภาวนานี้จะเป็นความสุขชั่วคราวเพราะเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาความสงบก็จะถูกทำลายไปแต่ถ้าไม่มีความโลภความอยากก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความความสุขที่เกิดจากความสงบ นี่คือวิธีที่เราจะมาซักพอกใจของเราให้สะอาดให้มีความสุขไม่ให้มีความทุกข์ตอนนี้เรามีความสุขแบบมีความทุกข์สุขกับเรื่องเดียวกันแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์กับเรื่องเดียวกันเวลาเรื่องนั้นเปลี่ยนไป ส, สิ่งนั้นเปลี่ยนไปเช่นมีสุขกับคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเปลี่ยนไป วันนี้เขาดีว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อไม่ดึงแต่พวกนี้เขาดื้อขึ้นมาเขาไม่ทำตามที่เราอยากให้เขาทำความสุขก็ที่ได้จากเขาก็กลายเป็นความทุกข์มาแทนเพราะเขาเปลี่ยนไปการเปลี่ยนไปนี้ก็เรียกว่าอนิจจาไม่เที่ยงไม่เหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไป มันเปลี่ยนไปอย่างช้าๆโดยที่เราไม่รู้สึกตัวของที่เราซื้อมาต่างๆเนี่ยเวลาซื้อมาใหม่เอี่ยมนี่ใช้ได้ดีทุกอย่างแต่พอใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเริ่มเก่าแล้วมันเริ่มเสื่อมแล้วเดี๋ยวก็เสียตรงนั้นเสียตรงนี้ละอันนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอ น, นิยจาอนณะตาก็คือเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ ไปสั่งให้มันเหมือนเดิมไม่ได้ไปสั่งให้มันดีเหมือนวันที่เราซื้อมาจากร้านไม่ได้ของทุกอย่างเป็นอย่างนี้ให้เราพยายามคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นสิ่นของหรือเป็นบุคคลก็เหมือนกันคนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปทางดีก็มีเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีก็มี แต่เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการแล้วเขาไม่เปลี่ยนเราก็จะเสียใจเราก็จะโกรธได้ <Yeah. S 1> เพราะเรามีความโลภอยากจะไปให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี <Yeah. S 1> ่ยคาถามที่ญาติโยมส่งเข้ามาส่วนใหญ่ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับความโลภความอยากของตัวเองอยากให้คนนั้น สนใจปฏิบัติธรรมพอเขาไม่สนใจไม่ปฏิบัติขึ้นก็เดือดร้อนอวุ่นวายใจขึ้นมาอยู่ดีๆไปวุ่นวายใจทําไมไปสร้างความวุ่นวายใจทําไมเขาจะชอบไม่ชอบมันก็เรื่องของเขาเราไปสั่งเขาไม่ได้แต่ไม่รู้ไงคิดว่าสั่งเขาได้คิดว่าถ้าเขาทําได้แล้วเราจะมีความสุขเห็นเขาทํา ทำสิ่งที่เราอยากให้เขาทาได้แล้วเราก็มีความสุขแต่พอเขาทาไม่ได้ขึ้นมาเราก็มีความทุกข์ขึ้นมามีความเสียใจขึ้นมามีความกโกรธขึ้นมาเพราะเราไม่มีเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเราไม่มีปัญญาเราไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นั้นมันมันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้แล้วเราต้องหยุดสิ เราสั่งเขาแล้วบอกเขาแล้วให้ทําอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทําก็โอเคไม่ทำก็จบกระทั้นนมันก็จะไม่ทุกข์แต่มันไม่ยอมจบตรงนั้นเนี่พอเขาไม่ยอมเขาไม่ทําก็พยายามที่จะไปกระแนะกระแนไปว่าเขาไปอะไรเขาไปคอยย้ำคอยตอกย้ำคอยไปพูดไปดีไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ราคาญเราขึ้นมาแทนที่จะรักกันก็เลยเกลียดกันโกรธกัน ดีไม่ดีก็แยกทางกันที่แยกทางกันก็เพราะความอยากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วไปจำจี่จำชัยจนกระทั่งเขาลำคาญขึ้นมาเขามาอยู่กับเราเพราะเขาคิดว่าจะมีความสุขกับเราแต่พออยู่ไปอยู่ไปเอ๊ะทำไมเรากลายเราทำไมเปลี่ยนไปตอนเจอกับเขาใหม่ๆก็ไม่เคยมาจำจี้จำชัยไม่เคยมาสั่งให้เขาทำอย่างนูนทอย่างนี้ แต่พออยู่กับเขาไปสักพักแล้วทาไมกลับไปกลายเป็นเจ้านายเขาไปใช่ไพอไเราเปลี่ยนไปเขาก็เบื่อเราเนี่ยเบื่อเราเขาก็อยากจะอยู่คนเดียวดีกว่าเราก็เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนมันก็เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้เวลาเจอกันใหม่ๆต่างคนต่างเอาอกเอาใจกันแต่พออยู่ด้วยไปอยู่กันไปอยู่กันมา จากการเอาอกเอาใจการเป็นมาเอาเอาใจตัวเองใช่ไหมไม่เอาใจเขาละพอจะเอาใจเราไม่เอาใจเขาพอเขาไม่เอาไม่ทําตามใจเราเราก็โกรธเขาเขาก็โกรธเราเราก็ไม่ทําตามใจเขาแล้วในที่สุดก็อยู่ด้วยการไม่ได้เราต้องถ้าอยู่ก็อยู่กันแบบไม่ไม่สุขอยู่กันแบบเกินไม่เข้าคายไม่ออกกลายเป็นความทุกข์ไปเใช่ไหย เพรามีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมกันทั้งคู่เวลาพบกันใหม่ๆนี่โอ้ดีไปหมดทุกอย่างเราอยู่ไปอยู่มาอา้าวดีดีหายไปหมดเลยมีได้ความอยากเข้ามาแทนที่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทั้งเขาทั้งเรามันก็เลยทำให้ความสุขที่ได้จากการพบกันใหม่ๆไม่มีหายไปหมดเพราะไม่ได้ดีต่อกันช่แล้ว กลายเป็นไม่ดีต่อกันไปโดยไม่รู้สึกตัวสรุปแล้วก็คือมีอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นสู้ไม่มีดีกว่ามีอย่างเดียวที่ดีก็คือความสงบนี่ความสงบนี้เราควบคุมบังคับได้ถ้าเรารู้จักทาใจให้สงบแล้วเราสามารถทําให้มันสงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการ แล้วถ้าเราสามารถทําลายตัวที่จะมาทําลายความสงบได้ยิ่งสบายใหญ่เพราะเราจะได้ไม่ต้องมาทําความสงบบ่อยๆทําหนเดียวก็จบแต่ถ้ายังมีความอยากอ ย, กอยู่ตอนเราทําความสงบจากสมาธิพอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวพอความอยากโผล่ขึ้นมาความโลภโผล่ขึ้นมาความสงบก็หายไปถ้าอยากจะสงบก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิใหม่ หรือแม้เช่นั้นก็ต้องไม่ทำตามความอยากแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้ไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวทำลายความสุขความสงบแต่ถ้ามีปัญญา ก, ก็จะรู้ว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจเราวุ่นวายพออยากได้อะไรขึ้นมานี้ใจไม่สงบแล้วใจกระวลกระวายกระสับกระส่าย เพราะอยู่อยู่ไม่เป็นสุขแล้วถ้าอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากทำอะไรแต่แต่ไม่รู้ว่าการที่จะทำใจให้สงบนี้อยู่ที่การหยุดความอยากกลับไปทำตามความอยากเพราะทำตามความอยากก็ทำให้ใจสงบแต่สงบเดียวเดียวดีใจเดียวเดียวสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาอีก แต่ถ้าเราทำวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาคือเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องไม่ทำตามความอยากถ้ามันรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจก็ไปทำใจให้สงบซะพอทาใจให้สงบความหงุดหงิดลาคาญใจก็หายไปการต้องไปทำตามความอยากก็ไม่ต้องทำถ้าไม่ทำตามความอยากครั้งนี้ครั้งต่อไปความอยากมันก็จะน้อยลงไป ทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาถ้าเราไม่ทาตามมันเอาไปมันก็ไม่มันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเอามันไม่โผล่ขึ้นมาใจของเราก็จะไม่มีอะไรมารบกวนใจต่อไปตัวที่รบกวนความสงบรบกวนใจของเราก็คือความอยากของเรานี่เองนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วนำมาไปปฏิบัติให้ได้เราต้องรู้ว่าเราทำ ทำแต่ละอย่างนี้ทําเพื่ออะไรที่พระเจ้าสอนให้ทํานี่ก็ทําเพื่อกําจัดความโลภความโกรธความหลงกําจัดอกุศลทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเรานั้นเองเพราะอกุศลนี้มันทําให้ใจเราทุกข์มันไม่ได้ทําให้ใจเราสุขการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ก็ทําให้เราทุกข์การรักทรัพย์ของผู้อื่นก็ทําให้เราทุกข์ เราอาจจะสุขตอนที่เราได้ทรัพย์เขามาใหม่ๆพอได้ทรัพย์เขามาก็ขโมยเงินเข้ามาพอไปใช้หมดแล้วทีนี้ความสุขนั้นก็หมดไปแล้วทีนี้ความทุกข์มันยังอยู่ความกลัวที่จะถูกจับไปลงโทษมันยังมีอยู่เพราะเงินหมดไปโทษมันไม่ได้หมดกับเงินที่เราใช้หมดไปถ้าเราเอาเงินขโมยเงินเข้ามาแล้วใช้หมดแล้วเวลาเขามาจับเราระบอกหมดแล้วเงินไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่มีโทษแล้ว อย่างนี้ก็ดีสิมันมีใช่ไหมถึงแม้จะขโมยมาแล้วใช้เงินของเขาหมดแล้วเราจะไปบอกเขาฉันไม่มีเงินของคุณแล้วฉันจะมีโทษได้อย่างไรก็เขายังเสียเงินของเขาอยู่ยงเงินของเขาถ้าอยากจะไม่มีโทษก็้องเงินที่เราขโมยเขาไปคืนเขาสิแต่เราไม่ไปคืนเขานี่ยเราไปให้คนอื่นเราไปใช้อย่างอื่นมันก็ยังมีโทษติดตัวอยู่มันก็จะทาให้เราไม่สบายใจ ทำบาปทำอกุศลแล้วจะไม่สบายใจทําให้ใจเราเศร้าหมองออฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีเราจึงต้องมาถ้าเราไม่อยากให้ใจเราเศร้าหมองไม่จากไม่อยากให้ใจเราไม่สบายก็อย่าไปทําบาปอย่าไปทําอกุศลทางกายเ อ, อ อย่าไปฆ่าผู้อื่นอย่าไปทำลายชีวิตของผู้อื่นอย่าไปเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นถ้าจะเอาขออนุญาตเขาก่อนถ้าเขาให้ถ้าเขาอนุญาตนี้ไม่บาปแล้วเราจะไม่รู้สึกมีโทษเราจะไม่รู้สึกไม่สบายใจถ้าเราอยากได้อะไรของใครขอเขาก่อนถ้าเขาให้แล้วได้มาเราจะไม่มีโทษ แต่ถ้าเขาไม่ให้ไม่ได้ขออนุญาตของถือวิสาสะไปหยิบข้าวของของคนอื่นมาอันนี้เจ้าของเขาจะโกรธเขาจะแค้นเขาจะม า, าจับเราไปลงโทษแจ้งความแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะมีความเศร้าหมองก็อย่าไปทำอกุศลทางกาย อย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดประเวณีความสุขที่ได้มันเป็นความสุขเดียวเดียวความสุขที่ได้ตอนที่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำพอทำเสร็จแล้วมันก็หมดไปแล้วความกังวลความหวาดกลัวความทุกข์ก็จะตามมาถ้าเราไม่ทำบาปไม่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี มันก็จะไม่มีความรู้สึกไม่ดีต่างๆไม่เกิดขึ้นมาใจเราจะไม่เศร้าหมองใจเราเป็นปกติสุขอย่าไปแขวงเท้าหาเสีย้ยนการทอาอกุศลการทำบาปนี้เหมือนกับการแขวงเท้าไปหาเสี้ยนอยู่เฉยๆดีอยู่แล้วไม่ชอบชอบแขวงเท้าไปแขวงเท้ามา พอไปเจอเส้นตามเก้าก็เจ็บพอไปทำบาปมันก็จะทำให้ใจเราเจ็บใจเราไม่สบายขึ้นมามเช่นเดียวกับอกุศลทางวาจาการพูดโอดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจอ้อการพูดสอเสียดไม่ควรจะทำถ้าอยากจะให้ใจเราเป็นปกติอย่าไปทำอกุศลทางวาจาแล้วใจเราจะ ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนใจเราจะสบายแล้วก็ชำระอกุศลทางใจชำระความโลภความโกรธความหลงตอนต้นก็ชำระด้วยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมก่อนเพื่อให้รู้เพื่อมาแก้ความหลงเพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิว่าเราจะชำระความโลภความโกรธความหลงได้อย่างไร ก็ต้องศึกษาจากผู้ที่ได้ชําระมาก่อนคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าได้รู้จักวิธีชําระอกุศลทางใจได้อย่างหมดสิน้นด้วยการบําเพ็ญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาถ้าเราอยากจะชะําระอกุศลทางใจให้หมดเราก็ต้องศึกษาวิธีที่พระพุทธเจ้าบําเพ็ญก็ต้อง ทำตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนได้บําเพ็ญถ้าอยากจะภาวนาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องไปหาที่เงีเงยบๆอยู่หาที่ไม่มีใครมารบกวนใจอยู่คนเดียวแล้วก็ว่างจากภารกิจการงานต่างๆอย่าทำภารกิจการงานเช่นหาเงินหาทองทำธุรกิจอะไรต่างๆ <c oughs> ให้มาเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดหยุดความคิดด้วยการเดินจงกรมวิธีฝึกสติดีที่สุดก็คือการเดินจงกรมเดินไปเยอะๆเดินไปนานๆเดินไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วเดินก็ไม่ใช่เดินเฉยๆเดินแล้วก็ต้องควบคุมความคิดให้ใจคิดอยู่กับการเดิน เช่เดินไปก็ดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือก้าวหนอยกหนอก้าวหนอวางหนอไปหรือซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือพุโทโธพุธโทโธไปอย่างใดอย่างหนึ่ง mm hmm. เพื่อที่จะทำให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆทำให้เราหยุดความคิดได้ถ้าเรามีกําลังสติมีกําลังหยุดความคิดได้ พอเราไปนั่งสมาธิมันก็จะสงบง่ายถ้าจิตสงบเมื่อไหร่เราก็จะพบกับความสุขในตัวเราความสุขที่เราจะใช้ทดแทนการหาความสุขนอกตัวเราได้ถ้าเรามีความสุขในใจเราที่ดีกว่าความสุขที่อยู่ข้างนอกใจเราก็จะเลิกหาความสุขภายนอกใจได้เวลาอยากจะไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเราก็หยุดมันได้ถ้าเรามีความรู้มีปัญญารู้ว่าความสุขภายนอกเป็นทุกข์สู้ความสุขภายในไม่ได้ความสุขภายในไม่มีทุกข์เพราะมันไม่มีเปลี่ยนแปลงมันไม่มีวันเสื่อมแต่ความสุขภายนอกมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อม พอมันเปลี่ยนไปมันเสื่อมไปมันก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นมาเราต้องมีปัญญาแล้วเราก็ต้องมีความสุขภายในใจเพื่อเราจะได้สอนใจไม่ให้ไปหาความสุขภายนอกใจที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปหาความสุขภายในใจดีกว่าความสุขภายในใจนี้จะไม่ให้ความทุกข์กับเราถ้าเรารู้จักหาเราก็จะหาได้อยู่เรื่อยๆ หม่ๆอาจจะหาได้ยากเพราะเราไม่เคยหามาก่อนแต่พยายามฝึกไปเรื่อยๆฝึกสติไปเรื่อยๆคอยควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆแ ล, แล้วพยายามนั่งบ่อยๆนั่งมาก <ๆ S 2> นั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะต้องสงบเข้ามาสักวันขึ้นมาสักวันพอสงบครั้งเดียวแล้วต่อไปมันก็จะสงบไปได้ทุกครั้ง พอเราทําได้แล้วมันก็จะทําได้ไปเรื่อยๆเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกถ้าเรารู้ว่าความสุขภายนอกมันไม่เทีย่ยมมันเป็นทุกข์เราควบคุมบังคับมันไม่ได้เราก็จะฝืนความโลภความอยากต่างๆได้ทุกครั้งที่อยากจะไปหาความสุขภายนอกก็บอกมันเป็นทุกข์นะอย่าไปนะ มาหาความสุขภายในดีกว่าเช่นมาอยู่วัดอยากจะกลับไปบ้านไปหาความสุขที่บ้านก็มันทุกข์นะที่มาวัดนี่ก็เพราะมันอยู่บ้านไม่ได้ที่มันทุกข์ที่บ้านเลยต้องมาอยู่วัดพอมาอยู่วัดไม่กี่วันลืมความทุกข์ที่บ้านแลกลับไปเห็นแต่ความสุขที่บ้านกลับไปคิดถึงแต่ความสุขที่บ้านกลับไม่ไปคิดถึงความทุกข์ที่บ้านพออยู่มาอยู่วัดได้ไม่กี่วันก็อยากจะกลับไปหาความสุขที่บ้าน ลืมไปว่ามันเป็นความทุกข์ลืมไปว่าที่มาวัดก็เพราะว่าความที่บ้านมันทุกข์ถึงต้องมาอยู่วัดกันเนี่ยจิตมันลืมได้เร็วถ้าไม่ใช้ปัญญาคอยสอนใจคอยเตือนใจอยเรื่อยว่าความสุขที่อื่นมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหะมีความสุขในใจเราเท่านั้นน่ะที่เป็นความสุขที่ไม่ทุกข์แต่มันชอบลืมจึงต้องคอยบันเตือนใจพิจารณาสอนใจอยู่เรื่อยว่า ทุกอย่างในความสุข ท, ทุกชนิดในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันเราควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้ควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราไปอย่างเดียวไม่ได้มันสุขขนาดไหนเดี๋ยวมันก็จางหายไปพอจางหายไปความทุกข์ก็กลับเข้ามาแทนที่แต่เรามักจะลืมพอมาอยู่วัดมาทาใจให้สงบนี่ พอปล่อยใจเผอใจไปคิดถึงความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสก็คิดว่ามันเป็นสุขขึ้นมาทันทีลืมคิดไปว่ามันเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีอเ่างนั้นต้องคอยถ้าเรามีสมาธิมีความสงบแล้วขั้นต่อไปเราต้องคอยสอนใจเตือนใจใเรื่อยๆว่าอย่าไปหาความสุขนอกจากความสงบนี้ความสุขนอกจากความสงบนี้ไม่ใช่เป็นสุข พระพุทเจ้าบอกความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขอย่างอื่นนี้มันมีทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกใจไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันเป็นสุขมันสุขจริงแต่มันสุขเดียวๆพอมันหมดไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา เวลาเจริญราบก็ดีใจกันพอเสื่อมราบก็เสียใจกันเวลาเจริญยศก็ดีใจกันพอเสื่อมยศก็เสียใจเวลาได้รับสรรเสริญก็ดีใจกันพอเปลี่ยนจากสรรเสริญมาเป็นนินทาก็เสียใจกันเวลาได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจก็เกิดความสุขขึ้นมาพอรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจหายไป ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เราต้องคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าสิ่งต่างๆที่เราหากันในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นมีสิ่งเดียวที่ไม่ทุกข์ก็คือความสงบภายในใจเราให้กลับมาหาความสงบนี้อย่าไปหาความสุขอย่างอื่นทุกครั้งที่อยากจะไปหาความสุขอย่างอื่นก็บอกไม่เอากลับมาเอาความสงบดีกว่า กลับมาพุโทโธพุโทโธดีกว่ากลับมานั่งดูลมหายใจเข้าออกดีกว่ามันจะยากจะลาบากอย่างไรก็ต้องฝืนต้องบังคับใจใจนี้ถ้าไม่ฝืนไม่บังคับจะสู้มันไม่ได้ต้องฝืนด้วยสติต้องบังคับด้วยสตินั่งเฉยเฉยใช้ความอดทน ส, สู้มันไม่ได้ต้องใช้สติพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้ หาอะไรมาคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงไม่ให้ไปคิดไปอยากเท่านั้นเองถ้าเราควบคุมใจให้หยุดคิดหยุดอยากได้เราก็จะใจก็จะสงบได้ใจสงบแล้วก็จะสบายไม่ต้องไปหาอะไรหามาเดี๋ยวก็ทุกข์ที่บวกเราทุกวันนี้ทุกข์ทุกข์กับอะไรก็ทุกข์กับของที่เราหามาได้ทั้งนั้น ร่างกายน no ี้ก็เป็นของที่เราหามาได้หามาจากได้มาจากพ่อแม่เราได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายแล้วพอไปหาของภายนอกร่างกายก็ต้องมาทุกกับของภายนอกหาเงินก็ต้องมาทุกกับเงินหาตำแหน่งก็ต้องมาทุกกับตำแหน่งหาสรรเสริญก็ต้องมาทุกกับสรรเสริญเพราะเดี๋ยวมันกลายเป็นนินทาไปหาลูกเสียงกินรถ หามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หมดไปหมดไปก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์อีกเนี่ยต้องมองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นความสุขที่ไม่ทุกข์มีอยู่อันเดียวเท่านั้นก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบแต่เราไม่ชอบหากันเพราะหายากเหมือนปีนภูเขา การหาความสุขจากความสงบนี้เหมือนกับการปีนภูเขาการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เหมือนเดินลงเขาง่ายพอชวนไปเที่ยวนี้ไปเลยพอชวนไปวัดนี้ต้องตั้งต้องตั้งหลักก่อนต้องเช็คดูปฏิทินก่อนดูว่าวันไหนว่างไม่ว่างแต่ถ้าใครให้ตัว๋วเครื่องบินไปเที่ยวเนี่ยว่างทันทีเลยเนี่ย ลางานได้ติดทุวร์อะไรลาได้หมดลองให้ตั๋วฟรีไปเที่ยวดูสักสองอาทิตย์สิอยู่ฟรีกินฟรีงานเงิ น, นี่ลาได้หมดทุวร์อะไรนี่ลาได้หมดแต่ถ้าจะให้ไปอยู่วัดสักสองอาทิตย์นี่โอ้ยต้องไปตั้งหลักหกเดือนนู่นกว่าจะหาวันว่างได้เนี่ยมันยากเพราะไม่มีใครชอบปีนเขาชอบเดินลงเขา แต่มันเดินลงไปหานรากกัน ข, ข้างใต้ภูเขามันมีแต่ความร้อนมีแต่ความทุกข์กันเ mm hmm. พราะเดี๋ยวเวลาแก่เจ็บตายมันหาไม่ได้ mm hmm. ตอนนั้นก็เหมือนถึ ง, ถ, งถึงตีนเขาแล้วเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายจะไปเที่ยวก็ไม่ได้จะไปหาความสุขทางร่างกายหาไม่ได้ mm hmm. นั่นแหละคือสิ่งที่เราเราอยู่ที่ตีนเขา ขึ้นป็ น, ปนไปบนเขาเดียวบนยอดเขานี้มีแต่ท้องฟ้ามีแต่เมฆมีแต่ความเย็นความสบายมีลมพัด ส, สบายแต่ยากหน่อยตอนที่มันต้องปีนขึ้นไปแต่พอปีนถึงยอดแล้วสบายพอเราสู้กับกิเลสชนะความคิดได้หยุดความคิดหยุดความอยากได้ใจก็จะสงบสงบแล้วก็สบาย ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ยังสงบยอยู่ยังสบายอยู่ไม่ต้องไม่ไม่เดือดร้อนไม่มีราบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่เดือดร้อนความสุขแบบนี้ไม่ต้องใช้ราบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสผลิัไม่ต้องใช้ตาหูจมูกิืนกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรยังสามารถหาความสุขที่เกิดจากการ หยุดความคิดหยุดความอยากได้เพราะสิ่งที่เราหยุดนี้คือสติมันอยู่ในใจเรามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันไม่เสื่อมไปกับร่างกายดังนั้นขอให้เรามาชำระกายวาจาใจด้วยการบําเพ็ญทานศีลภาวนากันเพราะนี่จะเป็นวิธีที่จะกําจัดความทุกข์ความซุบโศก ความเศร้าหมองต่างๆให้หมดไปจากใจวิธีที่จะสร้างความสุขความสบายใจให้อยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดก็ขอให้เอาไปปฏิบัติกันฟังแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดผลฟังแล้วรู้แล้วว่าต้องทำอะไรก็ต้องเอาไปทำให้ได้ยากก็ต้องทำให้คิดถึงผลที่จะตามมาว่ามันคุ้มเหนื่อย พอได้รางวาัลได้เงินเดือนแล้วจะหายเหน็ดหายเหนื่อยแต่เราทำนี้เขายังไม่จ่ายเงินเดือนก็ต้องขยันทำไปก่อนพยายามทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเงินเดือนออกก็จะหายเหนื่อยพอได้รับผลพอใจสงบแล้วก็จะหายเหนื่อยก็จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวะเลวะหาปุราปริกโปเลนติสาขัง เอวเมวะอิโตทินังเปตังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมกิปะเมวะสมิจเจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนะอาร h โสยะธามณิโชติอาราโสยะธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารโขวินัสตุ มาเตภวตวันตรายูสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาธนศีลิสานิจังวุธาปจายโนจตตารุธรมมวทาติอายุวันโอสุขังภาลัสาธุว่าท่านเททุกวันนะ ก็ก็อย่างนั้นนะมั้ก็ไม่รู้จะทํายังไงเนี่ยก็มีคนมาทุกวันมีคนมาทุกวันก็เลยต้องเทศทุกวันถ้าไม่มีคนมาก็ไม่ต้องเทศอ๋อเหรอฮะเทศทุกวันสองโมงเอะอ่าทุกสองโมงถึงสี่โมงมีคนมาอย่างนี้ทุกวันก็เลยต้องพนก็เลยต้องลองมาพูดอ การมีนักเรียนก็ต้องสอนออถ้าไม่มีนักเรียนก็ไม่ต้องสอนขึ้นมาที่นี่เลยเหรอคะก็อย่างที่คุณมาอันนี้ก็ต้องขึ้นมาที่นี่นี่ก็พวกคนนี่นะนักเรียนอ๋ออย่างนี้คือกเรีอ้าก็มานี่ก็ถือว่าเป็นนักเรียนแล้วมาก็ต้องพูดเนี่ยก็ต้องสอนก็สอนเนี่ยพูดทําิ้ให้ฟังเนี่ยก็เลยเต้นตอนแรกมาเนี่ยัวง่วงท่านว่ะจ้า ง่วงตอนไหนนั่งรถไปนั่ง ง, ง่วงง่วงพอามาถึงพระอาจารย์ไม่ง่วงเลยเอ่าทําไมละ่ะไม่รู้เตือนเลยเตือนเลยอาจจะเพราะว่าได้นอนหลับไ ด, ไ ด, ได้ได้พัก พ, พอแล้วมัม้ ง, ง, ม ง, งเลยหายง่วงอือหายง่วงหน่อยอ่าแต่นั่งรถนันไม่รู้จะทําอะไรพอมาวันนี้มันต้องมาได้ยินได้ฟังมันก็เลยทําทให้ไม่ ง, ง่วงทำมาวันนี้ไม่ค่อยง่วงอ่ะเพราะไม่ได้เทศตามตามคัมภีร์ อเ ท, ทตามอารมณ์อยากจะพูดอะไรก็ทำยังไงถึงจะไม่เมื่อยนะ่ะท่านทำไมถึงนั่งปุ๊บเมื่อยปั๊บเลยอะดูหนังไม่เมื่อยนั่งดูหนังเมื่อยไหมเมื่อเยเมื่อยเ <laughs> มื่อยก็เราไปหาหมอนวนวด <laughs> จ้ะ มันจะเป็นเหมือนชานชาเหน็บชาอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องของนั่งกายมันอาจจะต้องออกกําลังกายหรืออะไรอย่างนี้ให้มันร่างกายมันจะได้แข็งแรงถ้านั่ง น, น, น, น, นั่งนอนๆอนเนี่ยมันก็จะเมื่อยง่ายแล้วเวลาเรานั่งยืนมีความสึกมันเอ็นไปข้างหน้าอย่างเงี้ยอแต่แต่เรามีส ต, ตินะแต่มันเหมือนเอ็นไปอย่างเงี้ยถ้าเอ็นก็ไม่มีสติแล้วล่ะ มีไม่ไม่เต็มไม่เต็มสติถ้าเต็มอย่างตอนนี้ไม่เห็นไม่เห็นเอเ็ น, น, อนใช่ไหมการที่เรสึกบันดุงเอ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พสแสดงว่ามันเริ่มสติมันเริ่มหมดแล้วไงมันเร<อ>ิ่มเอ็นอ่มันยังเหลือสติอยู่นิดให้เรารู้ว่ามันเอ็นอ่ก็ต้องดึงกลับขึ้นมาต้องใช่ต้องใช้พุทโธพุทโธพุทโธอ่าอ่าราะนั่งสมาธิส่วนหนึ่งมันจะทําให้เราเคลิ้มอ่า พอเคอมันก็จะสติมันก็จะอ่อนลงอ่อนลงแล้วมันก็เลยเองมันไม่ใช่แข็งกล้าขึ้นเลค่ะแข็งกล้าเราต้องใช้พุทโธพุทโธเราต้องท่องพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้มันถึงจะแข็งอย่ถ้านั่งดูลมนี้เดี๋ยวมันอาจจะอ่อนลงไปได้ถ้ามันอ่อนเราก็ต้องใช้พุทโธเดินกลับมาท่านคบเวลาเราฟังเราใช้ อเทปฟังอย่างเงี้ยหรือัด youtube มาเงี้ยฟังเราได้บุญไมเง้ยอย่างนี้ก็เหมือนกันไงฟังจาก youtube ฟังจากปากมันก็เหมือนกันได้บุญเหมือนกันใช่ไหมคก็เคือว่าบุญก็คือได้ความรู้ไงจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ฟังแบบไหนถ้าฟังแบบทัาพีในหม้อแกงก็ไม่ได้ฟังไปแล้วก็หลับไปอย่างเงี้ก็ไม่ได้หรือฟังแล้วก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ได้อยู่กับการฟังก็ไม่ได้รู้ถ้าฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้บุญ ถ้าฟังแล้วรู้เรื่องก็ได้บุญการฟังนี้คือการศึกษาไงการเรําเรียนถ้าฟังแล้วเข้าใจก็แสดงว่าได้บุญได้ความรู้ได้สัมมาทิฏฐิได้ปัญญา <alors S 2> ถ้าฟังแล้วไม่รู้ฟังอะไรมาเนี่ยแสดงว่าใจไม่ได้อยู่กับการฟังเป็นทัพพีในหมอ้อแกงทับพียงอยู่กับหม้อแกง ก, งกี่ปีมันก็ไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไรถ้าจะ ถ้าจะฟังต้องฟังแบบลิ้นกับแกงรูกจากลิ้นกับแกงไหมแกงสัมผัสกับลิ้นเพยงหยดเดียวก็รู้ใช่ไหมเป็นแกงมันแกงคือแกงแกงเผ็ดแกงจืดนี่จะรู้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าฟังธรรมะแบบลิ้นกับแกงก็จะรู้ว่ากําลังพูดเรื่องอะไรจะนนี้ห่างไกลเยอะเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรทำให้มันใกล้ได้ไกลขกันไหนก็ทําให้มันใกล้ได้ตอนต้นมันก็ต้องไกลก่อนอ่ะ ไกลแล้วเราก็พยายามขยับขึ้มันใกล้เข้าไปเรื่อยๆปฏิบัติเนี่ยพยายามปฏิบัติมีใครพามาเ่รอท่านอะไรเวลาไปเที่ยวมันต้องมีใครพาไป <c oughs> ยังดูไกลไกล่ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละมันของไกลก็กลายเป็นของไก่ได <c oughs> ้ถ้ามันไม่ชอบเป็นกลายเป็นของไกลไปหมดแต่ถ้าถ้ามันชอบไกลขนาดไหนก็ใกล้นิดเดียวะยงั้นเราต้องหัดชอบให้ได้พระพุทธเจ้าบอกให้ยินดีในธรรม ถ้าเราไม่ยินดีในธรรมมันก็จะรู้สึกว่าไกลแต่ถ้าเรายินดีในธรรมมันก็จะใกล้นี่จะยินดีไม่ยินดีต้องรู้คุณค่าของธรรมถ้าเราไม่รู้คุณค่าของธรรมมันก็จะไม่ยินดีแต่ถ้ารู้ว่าธรรมนี่มันมีคุณค่ายิ่งกว่าเพ็ญเนียนจินดามันก็จะยินดีขึ้นมาจะรู้คุณค่าก็ต้องหมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่เราเป็นชาวพุทธแต่เราไม่เคยศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้ากันเลย พระพุทธเจ้าท่านวิเศษยังไงท่านเก่งอย่างไรนี่เราไม่รู้กันเรียนตอนชั้นอา <c oughs> ประถมมัธยม อ, อันนั้นก็เพลงกับผิวเผินยังไม่เจา<อ>ะ <ไป S 1> ลึกต้องศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดจนถึงนิพพานเลยออเองไปหาหนังสือประวัติพระพุทธเจ้ามาอ่านดูแล้วจะรักพระพุทธเจ้าจะ แล้วไปไปถึงอินเดียเลยได้ไหมค่ะไปก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าออไม่เจอหร อ, อก <c oughs> เจอประวัตินะีฮะเจอประวัติประวัติมันอยู่ในหนังสือไปที่นั่นก็เห็นแต่สร้างกระหลากผักพังเลยทำไปกันเยอะแยะไปหมดเลยครก็พราะเขาเชื่อกันไง เ, เชื่อว่ามันวิเศษแต่ความจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่จะเจอพระพุทธเจ้าต้องเจอด้วยการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าสมัยก่อนคนอ่านหนังสือไม่ได้ ข้เาเจ้าเลยสงสารเนาะถ้ายังอ่านไม่ได้ก็ไปดูที่ที่เราเกิดก่อนก็ได้เอเท่านั้นเองสําหรับคนที่งโง่ไงคนที่ไปเนี่ยคนโงค่คนเจราญคนนี่อ่านหนังสือได้อ่านศึกษาประวัติได้ ไ, ไม่ต้องไปเอไม่ต้องไปเสียงกันไห้เสียเวลาเอันนี้คนสมัยก่อนไม่มีการศึกษากันเขาเป็นชาวนาชาวไร่หรือการศึกษาไม่แพร่หลายการศึกษาจะมีแต่เฉพาะคนที่มีฐานะ คนไม่มีฐานะอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็ต้องไปดูที่เกิดที่อะไรถึงจะรู้แต่คนที่ศึกษาได้ก็ไม่ต้องไปอ uh huh. พยายามไปหาหนังสือประวัติพระพุทธเจ้ามาอ่านดู้ <Okay. S 1> แล้าจะเกิดเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าของคําสอนอื uh huh. แล้วทีนี้จะอยู่ใกล้จะเข้ามาใกล้กแล้วจะไม่พอเราชอบทําอะไรแล้วมันจะไม่เมื่อยหรอที่มันเมื่อยเพราะเราต้องทําในสิ่งที่เราไม่ชอบมันยังมันคือตอนนี้มัวจะทํางานอยู่นะพระเนั่นแหละเราเราชอบเงินเนี่ยเราชอบเงินออแต่มันต้องมีเงินก่อนนะจะทำจะนั่งทํางานตแปดชั่วโมงยังทําได้ไม่เมื่อยเลยไม่ปวดเลยพอนั่งฟังธรรมครึ่งชั่วโมงก็เมื่อยนะเพราะไม่ชอบ ใจมันยังไม่สงบอ่ะราจารย์พอพอแล้วหน้าปุ๊บคิดคิดคคิดคิดอย่างงี้ค่ะทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ก็พอาไม่ศึกไม่ไม่ไม่ไม่หยุดมันไงไม่หยุดคิดไงเราไม่ควบคุมความคิดเราต้องควบคุมความคิดโดยพุทโธพุทโธไปพอมันจะคิดอะไรก็พุทโธพุทโธแข่งกับมันไปแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดคิดได้ทุกครั้งที่คิดก็พุทโธพุทโธไปอื เดี๋ยวต่อไปก็สงบได้อ่ะขยับไปบางกล้องอยู่อ๋ออันถูกบังกล้องอยูอ่อันนี้ถ่ายท่อสดไปทั่วโลกแล้วรู้ไหมรูก็หน้าแตกไม้ตกไม่น่าหหลังแตกวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ f a c e b o o สา8ร้อยแปดสิบค่ะ y o u ู u ร e อย3ี่สิสาิทยุย1สิบเอ็ดผู้รับฟังบนขาสามสิบสองทั้งหมดห้าร้อยห้าสิบหกค่ะเออวันนี้ตองห้าการเรียนถามพระอาจารย์ครับอยากทราบว่าพระอาาริยะพระอรหันท่านเวลาท่านมีความสุขนะท่านไม่จำเป็นต้องเข้าสมาธิหรือว่าท่านมีความสุขอยู่ตลอดในตัวเองตลอดเอวลาส่วนพระอาาริยะเจ้าพระอาารยิยะ ขั้นต่างๆที่ยังไม่ใช่พระอาหารเนี่ยท่านท่านยังต้องใช้ท่านจะหาความสุขท่านยังต้องอยู่เรียกสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาอยู่ใช่ไหมครับไม่หรอกท่านจะใช้สมาธิก็ต่อเมื่อเวลาเกิดกิลเลสตัณหาขึ้นมาแล้วสู้มันไม่ไหวก็เข้าไปในสมาธิหยุดมันก่อนแต่เวลาที่กิลเลสตัณหาไม่เกิดใจท่านก็สงบเหมือนใจของเราเวลาไม่มีกิลเลสตัณหาเราก็ใจเราก็สงบแต่ใจเรามันกิลเลสตัณหาเกือบตลอดเวลา เดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากกินเดี๋ยวอยากดื่มอยู่ตลอดเวลาจ่าใจของพระอริยเจ้าแต่ละระดับก็มีความอยากต่างกันไปความอยากน้อยลงไปเรื่อยๆพระโสดาบันก็อยากมากกว่าพระสกิดาขามีพระสกิดาพระอนาคพระสกิดาคามีก็มากกว่าพระอนาคามีพระอนาคามีก็มากกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่มีความอยากเลยก็เลยไม่มีปัญหา อยาเข้าสมาธิแล้วไม่เข้าก็เหมือนกันแต่ถ้ามีถ้ามีกิเลสมีตัณหาความอยากขึ้นมาถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ต้องใช้สติใช้สมาธิพักไปก่อนเพราะบางทีปัญญายังไม่ทันยังพิจารณาไม่ทันถ้าไม่เข้าสมาธิมันก็จะทุกข์เวลาเกิดตัณหาความอยากเช่นสมมุติว่าเป็นพระโสดาบันแล้ว แต่ยังมีความอยากนอนกับแฟนอยู่แล้วอยากจะเลิกนอนกับแฟนจะทำยังไงทุกครั้งที่เกิดความอยากจะนอนกับแฟนถ้าไม่มีปัญญาไม่เห็นอสุภะของแฟนก็ก็จะหยุดความอยากนอนไม่ได้<ม>ก็ยังก็ต้องไปนอนกับแฟนหรือถ้าไม่นอนกับแฟนก็เรองไปเข้าสมาธิแทนแต่มันก็เป็นการแก้ปัญหาไม่ไม่จบจะจบก็ต่อเมื่อเราเห็นอสุภะของแฟน ร่างกายของแฟนมีตับไตไส้พุงมีปอดมีโครงกระดูกมีอะไรต่างๆพอนึกถึงส่วนเหล่านี้ความอยากจะนอนกับแฟนก็หายไปก็กลับจิตก็จิตก็กลับมาเป็นปกติอาจารย์แล้วระดับของพระเวสสันดรท่านท่านขาดท่านยังไม่ได้ยังไม่ไท่านเป็นปุถุชนท่านยังไม่มีปัญญาทางวิปัสสนาเลยอ ท่านยังฝึกสมาธิอยู่มั้งกาลังฝึกสมาธิอยู่พระเวสสันดรนี่ยังใบบาเพ็ญสมาธิอยู่ท่านยังไม่มีปัญญาไม่เห็นว่าความอยากต่างๆนี้จะหยุดมันได้ต้องใช้ปัญญาต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์หรือเห็นว่ามันไม่สวยงามเพราะฉะนั้นท่านท่เลยต้องใช้ชีวิตกับครอบครัวอยู่ครอบครัวอยู่เหมือนเดิมก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัะก็มีเมียอยู่มีเมียมีลูกอยู่ จนมาเห็นความแก่ความเจ็บความตายก็เลยรู้ว่าต่อไปเวลาแก่เจ็บตายก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขแบบนี้ได้ก็เลยลองไปหาความสุขจากการทาใจให้สงบนี่มันสุขถ้าตอนต้นก็รู้จักวิธีสมาธิเวลาจิตสงบก็มีความสุขความทุกข์ก็หายไปความอยากก็าหายไปแต่พอออกจากสมาธิมาพอเผลอปล่อยให้ใจคิดเดี๋ยวมันก็อยากขึ้นมาทนี้ถ้าไม่อยาก ถ้าอยากจะให้ความอยากไม่ให้มันหายไปก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาสอนว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์อย่าไปทําถ้าไม่ทําต่อไปความอยากมันก็จะหดไปเหมนสูบบุหรี่ทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่ก็สูบไม่ดีสูบแล้วติดเวลาไม่ได้สูบ ก, ก็จะทุกข์แล้วร่างกายก็จะเจ็บไายได้ป่วยเห็นโทษของการสูบบุหรี่ทุกครั้งที่อยากสูบบุหรี่ก็คิดอย่างนี้ต่อไปมันก็ไม่กล้าสูบ พอไม่กล้าสุกต่อไปความอยากมันก็จะไม่มีถ้าเพื่อนๆอยู่ในต่างประเทศแล้วเราบอกบุญว่าร่วมกันบวชเนนภาคฤดูร้อนตามวัดที่เขาประกาศไว้แล้วเพื่อนส่งเงินมาให้โยมเอาไปถวายร่วมบวชเนนเพื่อนๆไม่ได้มาจะได้บุญหมาเจ้าคะได้การมาไม่มาไม่สําคัญขอให้เงินมาก็แล้วกันขอให้สิ่งที่เราเสียสละ เราได้เสียสละสิ่งนั้นไปแล้วมันมันก็ได้ถึงแม้อาจจะไปไม่ถึงถึงเจ้าของถึงผู้ที่เราต้องการจะให้เช่นถูกขโมยไปกลางทางแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ไม่ยึดไม่ติดกับเงินก้อนนะั้นเราถือว่าเป็นการทำบุญไปแล้วใครเอาไปก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของมันไปของผู้รับไปเราก็ยังได้บุญอยู่เพราะคาว่าบุญที่เกิดจากการทาทานก็คือการเสียสละเสียสละของที่เรารักให้แก่ผู้อื่นไป พอเราเสียสละแล้วผู้รับจะถึงผู้รับที่เราตั้งใจหรือไม่ก็ไม่สําคัญอาจจะไม่ถึงผู้รับก็ได้อาจจะพูดที่รับไปเอาไปใช้ก่อนขอยืมไม่ใช้ก่อนนี่ก็เรื่องของผู้ผู้ผู้คนนั้นคนนั้นก็จะเป็นกรรมของเขาไปเพราะเป็นการขโมยเป็นการรักทรัพย์ไปแต่ผู้ให้ก็ยังได้บุญอยู่เหมือนเดิมตัวตัวไม่ต้องไปเพราะเป็นเรื่องของใจเรื่องของการเสียสละเรื่องของการตัดความผูกพันกับ ของที่เราลังเช่นสมบัติเข้าของเงินทองพอเราเสียสละได้แล้วใจเราจะเบาขึ้นมีความสุขขึ้นผมทําธุรกิจที่ต้องมีผู้ร่วมเป็นสมาชิกในการทําธุรกิจเครือข่ายครับผมจะอุทิศบุญให้ผู้ที่เคยอุปถมัมภ์เคืือกูลกันมาแต่อดีตชาติให้มาเจอมาร่วมธุรกิจการงานกันนั้นได้หรือไม่ครับแล้วผมจะต้องอุทิศบุญว่าอย่างไรดีครับ การอุทิศบุญนี้ไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขากลับมาร่วมกิจกรรมของเราได้อันนั้นเป็นเรื่องของเรื่องของวิบากกรรมของแต่ละคนทำบุญทากรรมมาไม่เท่ากันโอกาสจะเจอกันหรือไม่เจอกันนี้มันไม่แน่นอนมันไม่ได้เกิดจากการอุทิศบุญหรือเกิดจากการขอการอุทิศบุญก็เป็นการแบ่งบุญให้เขา เพราะาอยู่ในสภาพที่ก็หาบุญเองไม่ได้เราก็ต้องส่งบุญไปให้เขาสำหรับคนที่ตายไปแล้วส่วนที่เขาจะกลับมาอยู่ร่วมกันมาทํากิจกรรมร่วมกันอีกไรเหว่านี้ขออย่างไงมันก็ไม่ได้อยู่ที่คําขอมันอยู่ที่เหตุการณ์ความจริงว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเหมือนสมมติเราขับรถไปจอดที่สี่แยกไฟแดงแล้วมีรถซ้ายขวาคนซ้ายก็น่าน่าดูคนขวาก็น่าดู ข่าวหน้าบอกขาวหน้ามาที่สี่แยกนี้ขอให้ได้เจอเขาอีจะจ ะ, จะเจอหรือเปล่าขอขอได้แต่โอกาสที่จะได้เจอมันเจอหรือเปล่ามันตัวแปรมันเยอะอ่ะใช่ไหมงั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปติดอยู่ที่ไหนหรือเปล่าก็อยากเขาอาจจะไปชอบทําอะไรอย่างอื่นที่ไหนแล้วเราจะไปขอให้เขามาหาเราได้ไนงะใช่ไหมงั้นอย่าไปขอสิ่งที่มันไม่มันเป็นไปไม่ได้หรือยากเลย ขอในสิ่งที่เราควบคุมได้เนี่ยขอให้เราทําบุญทําทานขอให้เรารักษาศีลขอให้เราทําความดีไปตลอดชีวิตอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ถ้าขออย่างนี้จะได้เพราเราขอแล้วมันจะฝังอยู่ในใจเราทุกชาติเราเกิดมาเราจะจําได้ว่าเออเราขอทําความดีพอถึงเวลาเราก็จะทําความดี กรณีมีบางวัดที่ท่านจะห้ามถ่ายรูปท่านและห้ามนำคําที่ท่านพูดไปเผยแพร่แต่มีบางท่านไม่ปฏิบัติตามนําคําพูดของท่านไปเผยแพร่ใน facebook แล้วเรากดถูกใจจะทําให้เราเป็นบาปไหมครับไม่บาปหรอกเราเราถูกใจคําสอนของท่านส่วนคําสอนของท่านจะมาแบบไหนนี่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่เกี่ยวกับเรา เมืเงินทองที่ญาติโยมมามาถวายนี่โยมไปขโมยมามันก็ไม่เกี่ยวกับเรามันก็ไม่ได้ทําให้เราบาปเพราะรับเงินทองจากโยมฮมันไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันพี่สาวหนูอายุมากแล้วแข็งแรงดีแต่ยังเอาของใช้ส่วนตัวเช่นถุงเท้าให้แม่ซักซึ่งแม่ก็แก่มากแล้วแต่ท่านก็ซักให้หนูว่าเตือนพี่เสา เขาบอกว่าเขาไม่สํานึกไม่สนใจถามว่าพี่สาวหนูบาปไหมและหนูควรทําอย่างไรไม่บาปหรอกถ้าไม่ได้ไปไปทําไปทําร้ายแม่แม่เขาทําด้วยความพอใจแม่อยากจะทําก็แล้วไปเพียงแต่ว่าพี่สาวจะไม่ได้ดีแต่ไม่รู้จักช่วยตัวเองจะเป็นคนเกลียดคร้านเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ แทนที่จะตอบแทนบุญคุณกลับไปใช้ท่านซะอีกอันนี้ก็เป็นความประพฤติที่ไม่ดีแต่ไม่ถึงกับบาปคาถามสกคุณสัญญาค่ะการไปกราพยานาคยกขันครูไปไหว้เทวดาตามความเชื่อถูกต้องไหมครับก็ถ้าเชื่อทำตามเชื่อมันก็ถูกต้องตามความเชื่อแต่จะถูกต้องตามกฎแห่งกรรมหรือไม่ไม่ถูกหรอก ก่แทงกรรมมันไม่ได้อยู่ที่การไปทำอะไรสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ว่าเราทำดีหรือไม่ดีถ้าทำสิ่งนั้นแล้วมันเกิดคุณเกิดประโยชน์มันก็ดีกับเกิดคุณเกิดประโยชน์กับผู้อื่นมันก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้าเกิดทำแล้วเกิดความเสียหายกับผู้อื่นก็เป็นบาปให้เราดูตรงนั้นดูว่าการกระทําของเราทําให้เกิดคุณหรือเกิดโทษแก่ผู้อื่น ถ้าเกิดคุณก็เป็นบุญถ้าเกิดโทษก็เป็นบาปถ้าไม่เกิดคุณเกิดโทษก็ไม่เกิดไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปคำถามจากคุณประนอมค่ะคุณพ่อชอบทําบุญกับสารเจ้าและไหว้เจ้ามากแต่ไม่เข่งคัดมากค่ะคุณพ่อจะแอนตี้พระสงฆ์และวัดต่างๆค่อนข้างมากดิฉันและแม่ไปทําบุญที่วัดตักบาทท่านก็จะชอบพูดจากระแนกกระแน ทำจนทําให้ดิฉันและคนอื่นๆกลัวว่าคุณพ่อท่านจะบาปมากและบางครั้งดิฉันก็ต้องเรียกว่าแอบไปทําบุญการเพื่อไม่ให้คุณพ่อท่านรู้เพื่อไม่ให้ท่านบ่นอยากปรึกษาพระอาจารย์ว่าจะมีหนทางทําอย่างไรได้บ้างให้คุณพ่อท่านเปลี่ยนความคิดและมีจิตใจที่เข้าถึงพระพุทธศาสนามากกว่านี้ค่ะมันก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนมันอาจจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่าง เช่นที่มีที่ได้เห็นเมื่อเร็วๆนี้ก็คือมีคุณพ่อในครอบครัวนี้ก็ไม่ชอบทําบุญใส่บาตรแต่ก็ไม่ห้ามภรรยากับลูกก็ใส่บาตรทุกวันแต่ภรรยาก็ต้องคอยแอบไม่ให้เขารู้ว่าทํามากน้อยเพราะถ้ารู้ว่าทํามากเขาก็จะไม่ชอบแล้วอยู่วันดีคืนดีไม่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อนรักเขาตายไปเพราะเดี๋ยวนี้มาใส่บาตรทุกวันเ มันก็ไม่รู้เหมือนกันวันเรามันจะเปลี่ยนได้ยังไงบางทีก็ต้องมีเหตุการณ์รืออะไรมาบางทีอย่างโบราณเขาพูดว่าถ้ามันยังไม่เห็นฝาลงก็ยังไม่หลังน้ำตาคนเรบบามังทีมันยังไม่เห็นความตายมันก็เลยอาจจะไม่เห็นคุณคุณค่าของการทำบุญทีนี้พอเห็นว่าตายแล้วนี่เห็นคุณค่าขึ้นมาอย่างน้อยก็จะทาให้เพื่อนเพื่อนที่เขาตายไปเขาก็ทาเพื่ออุทิศให้เพื่อนเขา หรืออาจจะทำเพื่อตัวเขาด้วยก็ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาอาจจะตายเมื่ อ, อไหร่ถ้าเขาไม่รีบทำบุญเสียเดี๋ยวตายไปเขาไม่มีบุญติดตัวไปอันนี้มันก็อยู่ที่ต้องบางทีต้องเจอเหตุการณ์หรือเจอบุคคลที่เก่งอย่างองคุลิมาล ก, ก็ต้องเจอพระพุทธเจ้าที่สามารถที่จะพลิกความเห็นเขาจากผิดให้เป็นถูกได้ดังก็แล้วแต่บางคนเจอแล้วเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์ก็มี เพราะมันมืดแปด้านมูดบอดแปดด้านสอนยังไงก็ไม่เห็นแสงสว่างก็ไม่เข้าไปถึงใจเขาได้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้คนเราท่านถึงแยกไว้เป็นบัวสี่เหล่าไอ้บัวที่ไม่มีวันเจริญได้ก็บัวที่จะเป็นอาหารของปูปลาก็ช่วยไม่ได้ทีคุณพ่อของเขาไม่รู้จะเป็นบัวแบบแบบไหน จากข่าวที่รถทัวร์พลิกคว่ำจนทําให้คนเสียชีวิตถึง18ศพทั้งๆ ท, ที่เป็นทัวร์ทาบุญแม่ของข้าพเจ้ารู้สึกว่าบุญนั้นไม่ได้ช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นแค้วคาดเลยเมื่อดิฉันได้ฟังก็รู้สึกว่าท่านคิดไม่ถูกและอาจทําให้ท่านเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิได้แต่ดิฉันไม่รู้จะพูดอย่างไรให้คุณแม่ท่านเข้าใจและเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิได้รบกวนพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะก็บอกเลยคนทําบุญก็ตายคนทําบาปก็ตาย คนไม่ทําบุญไม่ทําบาปก็ตายมันไม่เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องความตายมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเกิดเข้าใจไหมแล้วม่อยากจะตายก็อย่ามาเกิดถ้ารับรองได้ถ้าไม่เกิดแล้วไม่มีวันตายใช่ไหมคนทําบุญก็ตายคนทําบาปก็ตายไม่ใช่หรือคนไม่ทําบุญไม่ทําบาปก็ตายไม่ใช่หรือแต่คนไม่เกิดตายไหม ถ้าไม่อยากตายก็อย่ากเกิดเท่านั้นเองเห็นมีอะไรเลยคำถามจากคุณบีนี่ค่ะดูละครเรื่องบุเพศนิวาส <laughs> คนเราตายไปในชาตินี้แล้วไปเกิดในชาติที่แล้วอีกเป็นความจริงได้ไหมคะกลับไปในอดีตไม่ได้หรอกมันต้องไปเกิดในอนาคตเนี่ยอดีตมันผ่านไปแล้วมันไม่มีแล้วจะกลับไปหาอดีตได้ไงอันนี้เป็นจินตนาการของผู้แต่งละคร ละครมันชอบหาอะไรแปลกๆมาให้คนดูไงถ้ามันดูของซ้ำ้างแล้วคนจะเบื่อใช่ไหยก็แล้ัคิดแบกแนวคิดแปลกๆอะไรไปใช่พวก น, นี้เราเรียกเพลย์เจอร์ก็ยนะังไงดูแล้วไม่เกิดประโยชน์อย่าไปดูให้เสียเวลาคำถามจากคุณภาวินีค่ะ ถ้าเราเห็นการกระทําของคนที่ทําไม่ถูกต้องแล้วเรานําไปบอกหัวหน้างานผลปรากฏว่าเขาคนนั้นถูกลงโทษแบบนี้ถือว่าเราเบียดเบียนเขาหรือไม่คะก็เรามีหน้าที่หรือเปล่าลอะมีหน้าที่หนึ่งสองเรามีเจตนาที่จะทําร้ายเขาหรือเปล่าต้องการให้เขาได้รับโทษหรือเปล่าถ้าเรามีเจตนามันก็มันก็บาปเพราะเราแสดงว่าเราทําด้วยความโกรธ ด, ด้วยความเกลียด คำถามจากคุณจุดาวันค่ะการนำอาหารสิ่งของมาไหว้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วในวันเชงเม้งและวันตรุษจีนไม่ทราบว่าพ่อแม่จะได้กินอาหารหรือเงินที่เผาส่งไปไหมคะก็ใครกินแล้วดูเลย อ่าน้องมาถามเลยก็ก่อนที่จะก่อนที่จะว่าก็ชั่งน้ำหนักดูก่อนเลยว่ามันหนักเท่าไหร่อ่าแล้วมาว่า้เสร็จแล้วก็มาชั่งใหม่ดูดูว่ามันยังเท่าเดิมหรือหรมันมันหายไปถ้าหายไปก็แสดงว่าผีอาจจะไปกินก็ได้แต่มันไม่เป็นหรอกผีมันกินของพวกนี้ไม่ได้วิญดววิญญาณนี่กินอาหารอย่างเรากินไม่ได้เพราะมีเขาไม่มีร่างกายเหมือนเรา อาหารขงเขาต้องเป็นบุญเท่านั้นเองเราถึงต้องทําบุญส่งไปอย่างเดียวนี้ชาวจีนเมื่อเช้านี้มีอยู่ครอบครัวหนึ่งแม่เขาเสียเขาก็บอกว่ามาทําบุญเชงเม้งให้กับแม่ถ้าอย่างเนี้ยเขาได้บุญแม่ได้บุญเพราะเขาทาบุญแล้วก็ส่งไปให้แม่ได้แต่ถ้าเอาของที่จะมาถวายพระนี้ไปตั้งไว้ที่หลุมศพแล้วก็จุดทูบเทียนพอจุดเทียนดับแต่ก้าไปกินงันก็แม่ก็ไม่ได้กิน คำถามจากคุณศีดิลัตค่ะการที่ตัวเรายังพูดถึงเรื่องราวคนอื่นและว่ากล่าวคนอื่นแต่ทุกเรื่องที่เราพูดคือเรื่องจริงที่ไม่ได้ไปเพิ่มเติมสิ่ง น, นี้เรายังทำผิดใ น, ในสี่ข้อสี่ไหมคะ ถ, มถ้ามีเหตุให้พูดเดี่ยวพูดก็พูดได้แต่ถ้าไม่มีเหตุก็อย่าไปพูดเลยเสียเวลาไ ม, ไม่เกิดประโยชน์คำถามหมดแล้ว่ะหมดแล้ ว, ลวะนะนะคือ เรื่องของคนอื่นมันมันไม่เกี่ยวกับเราอ่ะเข้าใจไหอพูดไปก็จะอาจจะทําให้เรากลายเป็นคนที่คนเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนชอบจ้องชอบว่าคนอื่นชอบตําหนิชอบวิพากษวิจารณ์คนอื่นมันก็เป็น<ม>เป็นการกระทําที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากถ้าพูดเพื่อเป็นการสอนยกตัวอย่างว่าอ คนนีท้ทำอย่างนี้ไม่ดีนะอย่างนี้สอนคนอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เรื่องแต่พูดเพื่อความมันใจความมั น, ค ว, มมนความสาสใจให้ได้ได้วิพากวิจาร์เข า, ามันพูดไปก็เหมือนกับพูดไร้สาระพูดไม่เกิดประโยชน์พูดอะไรให้มันเกิดประโยชน์กับผู้ฟังดีกว่าถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าไปพูดเสียเวลาเปล่า ยังไม่มาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเลื้อย5นาที6นาทีอย่าไปสนใจเรื่องชาวบ้านเลยปัญหาของเราเยอะแยะมามาสนใจเรื่องของเราดีกว่ามาแก้ปัญหาของเราดีกว่าเรื่องของคนอื่นเราไปแก้ให้เขาไม่ได้หรอกนอกจากถ้าเขามาขอความช่วยเหลือเราก็เพียงแต่สอนเขาได้เท่านั้นเองวิธีแก้ปัญหาถ้าเรารู้วิธีแก้ แต่ถ้าเขาไม่ขอความช่วยเหลือไปสอนไปบอกเขาก็อาจจะลำคาญเราเปล่าๆเนั้นอย่าอย่าไปสนใจเรื่องคนอื่นมากเกินไปเลยเรายังมีปัญหาอยู่อีกเยอะเรายังมีความทุกข์อีกเยอะที่เรายังยังแก้ไม่ได้มาแก้ความทุกข์ของเราดีกว่าถ้าแก้ได้หมดแล้วก็นั่งเฉยๆรอถ้ามีใครมาขอร้องให้ช่วยแก้ก็สอนเขาไป มือนพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านบำเพ็ญหกปีท่านก็ไม่ไปสอนใครเลยท่า น, นก็มุ่งแต่การสอนตอนเองแก้ปัญหาของตนเองพอแก้ปัญหาของตนเองจบแล้วทีนี้ก็ก็เลือกดูว่าคนไหนอยากจะให้ช่วยสอนก็จะไปสอนตอนต้นก็เลือกพระปัญจวัคคีย์เพราะเคยเป็นลูกศิษย์ติดตามมาแต่มาหมดศรัทธาตอนที่พระพุทธเจ้าอดพระกายาหารแล้ว เลิกก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้ายอมแพ้แตพระพุทธเจ้าก็ไม่ถือโ้ษยกอธเคืองพอพระองค์บรรลุแล้วสําเร็จแล้วก็สงสารพวกที่ติดตามยังไม่ได้บรรลุแล้วก็เห็นว่าเป็นพวกที่มีความสามารถที่จะบรรลุได้อย่างรวดเร็วก็เลยไปโปรดเขาก็ไปก็ต้องไปดูท่าทีก่อนว่าดูเขายินดีหรือไม่ถ้าไม่ยินดีท่านก็ไม่สอนตอนต้นพวก ปัญจวคีเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาก็ไม่นอนก็ยังไม่แน่ใจไม่รู้จะทำยังไงดีคนก็ยังลังเลสงสัยแต่พอใกล้เข้าเห็นพระบารมีของพระพุทธเจ้าก็ทําให้เขาเอาหายลังเลเขากน็นอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าต้อนรับพระพุทธเจ้าอย่างดาีพระพุทธเจ้ารู้ว่าเขาต้อนรับท่านยินดีที่จะฟังเอท่านพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้เขาฟังังนั้น ก่อนอื่นเรามาแก้ปัญหาของเราก่อนดีกว่าปัญหาของคนอื่นไม่ต้องไปสนใจเพราะพอแก้ปัญหาของเราได้แล้วนี่จะช่วยคนอื่นก็ต้องดูว่าเขายินดีให้เราช่วยหรือไม่ถ้าเขาไม่ยินดีก็อย่าไปช่วยเขาเพราะว่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะเขาไม่ยินดีเสียฟังพูดไปก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไปอาจจะไปสร้างความลำคาญไปทำให้เขาเสียเวลาเปล่าๆก็อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่า ช่วยคนที่เขาอยากจะให้ช่วยดีกว่าอย่างที่นี่ก็ไม่ไม่ได้จะขอร้องให้ใครมาเนี่ยทุกคนมาก็เพราะอยากจะมาอยากจะมาให้ช่วยก็พอมาก็ต้องพูดเนี่ยมีอีกอหมคำถามจากคุณกริดค่ะความก้าวหน้าทางการปฏิบัติธรรมวัดได้จากอะไรบ้างครับวัดอยากดีเลียดมากขึ้นน้อยลงนความโลภความโกรธความหลงมากขึ้นน้อยลง ถ้ามากขึ้นก็ไม่ก้าวหน้าถ้าน้อยลงก็ก้าวหน้าคำ ถ, ถามจาคุณฟูค่ะถ้าเราเคยให้คนมาไล่แตนแล้วเขามาจัดการมันโดยการเผาลังมันอย่างนี้บาปไหมครับถ้าบาปแล้วเราจะแก้บาปอย่างไรครับ๋อแก้ไม่ได้แล้ว ก, การที่เราไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนกัผู้อื่นก็เป็นการทำบาปนะมันก็ต้องรอรับผลบาป ก็คือคงจะต้องไปเกิดเป็นแตนให้เขามาไล่บ้างทำกรรมบันใดไว้ก็จะต้องรับผลกรรมของกรรมนั้นถ้าไม่อยากจะให้เขาได้รับผลไม่อยากจะรับผลก็อย่าไปทำผลที่เราไม่ต้องการคำถามจากคุณมีนาค่ะการอดอาหาร ไม่ทราบว่าในสมัยพุทธกาลมีการถือปฏิบัติข้อนี้หรือไม่คะเพราะเท่าที่ทราบมาไม่อยู่ในข้อทุดงควัตเนื่องจากเคยคุยกับเพื่อนที่เคยบวชพระมา ก, ก่อนว่าอดอาหารแล้วจะภาวนาดีเขากลับบอกว่ามันดูเป็นการสุดโต่งไปก็เลยไม่ทราบว่าจะอธิบายถึงที่มาที่ไปของการปฏิบัติแบบนี้ให้เพื่อนเข้าใจได้อย่างไรก็ไม่มีหรอกก็เกิดจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติกัน ของบางอย่างมันไม่จําเป็นจะต้องมีในพระไตายปิฎก <Yeah. S 1> ของนอกพระไตายปิฎกที่ดีก็ยังมีอยู่เพราะไม่ได้มีการจดบันทึกเอาไว้ท่านเองอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่เราสอนนี่เป็นเหมือนใบไม้ในกํา ม, มือสิ่งที่เรารู้นี่เหมือนใบไม้ในป่ามันมีเยอะแยะ ก, กว่าเหตนวิธีการต่างๆนี้มีมากมายแต่ พ, พุทธเจ้าไม่สามารถที่จะมาสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเราได้ <Yeah. S 1> สอนเท่าที่คิดว่าพอสมควรกับ ผู้ฟังท่านก็สอนไปเท่านั้นเองส่วนถ้าอยากจะรู้ว่าการอดอาหารดีไม่ดีก็ทดลองเอาสิวิธีที่จะพิสูจน์ดีที่สุด ต, ต่อให้มายืนยันมานอนยันมาพูดยังไงมันก็เหมือนกับสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นแต่อยากจะรู้ว่าการอดอาหารส่งเสริมการภาวนาหรือไม่ก็ลองทดลองดูสิเท่านั้นเองอาจจะไม่อาจจะถูกกับเราอาจจะไม่ถูกกับเราก็ได้ การที่ทําแล้วไม่ถูกกับเราก็ไม่นานมาคําว่าเขาทำนั่นไม่ถูกเพราะมันเรื่องของจริตเรื่องของความนิ ส, สัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันหมดหรือยั ง, ยงอีกคำถามคําถามสุดท้ายแล้ววันนี้การมีสติดูกายแล้วเห็นจิตไหลไปคิดอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะไม่ได้ต้องกลับมาอยู่ที่กายพอมันออกจากกายไปก็ต้องใช้พุโทโธหรือใช้สติหนึ่งถ้ามีสติดึงกลับมาได้ก็ใช้สติคือให้รู้ว่ากลับมาที่กายนะถ้ามันกลับก็โอเค ถ้ามันไม่ยอมกลับมันยังคิดอยู่ก็ต้องใช้พูดโทรเอาแล้วนะมีไหมมีค่ะเอาอีกข้อหนึ่งเอาอีกข้อข้อสุดท้ายคําถามจาคุณพีโกค่ะสติที่รับรู้ความรู้สึกทั้งหกช่วงแรกต้องตั้งใจถ้าทําไปเรื่อยๆจะเกิดขึ้นเองใช่ไหมครับสตินี้มันไม่ได้ไปรับรู้ที่ออะไรทั้งหกหรอกคือสตินี้ให้รู้อยู่เรื่องเดียวถึงจะเป็นสติขึ้นมา ไปแบบนั้นมันไม่เป็นสติคําว่าสตินี้คือมันไม่ใช่เป็นการรับรู้อันนั้นเป็นวิญญาณวิญญาณที่รับรู้ทวารทั้งหรับรู้รูปเสียงกลิ่นแล้นี่เรียกว่าวิญญาณอันนี้มันรับรู้โดยอัตโนมัติพอตาสัมผัสกับรูปมันก็รับรู้ทันทีแต่สตินี้คือตัวที่เราต้องการที่จะดึงใจให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวถ้าไม่มีสติมันจะไปสเปะสปะอะไรมาก็ไปรับรู้รับปั๊บเดี๋ยวอันนั้นมาก็ไปเรื่องนั้นต่อมันจะ มันจะมันไปอยู่เรื่อยๆมันไม่อยู่กับที่มันไม่นิ่งถ้ามีสติเราก็จะให้มันนิ่งได้ไม่ให้มันไหลไปกับอารมณ์ต่างๆ hm. นั่นคือความหมายของสติสติเป็นตัวเหนี่ยวรั้งใจดึงใจให้อยู่กับที่ถ้าไม่มีสติมันก็สเปะสปะเดี๋ยวก็กไปที่รูปเดี๋ยวก็ไปที่เสียงแล้วก็ไปที่กลิ่นแล้วแต่อะไรจะมากระทบมันก็จะไปกับเรื่องราวเหลนะ่านั้นหลัวนั้น การจะฝึกสติก็ต้องฝึกบ่อยๆพุทโธบ่อยๆคอยควบคุมให้มันอยู่กับเรื่องเดียวอย่าให้มันไปอยู่กับหลายเรื่องแล้วต่อไปมันก็จะสามารถบังคับให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวได้ให้มันหยุดคิดได้เอาล้วนะเก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติ